แรงดึงดูดใจให้ไม่ทิ้งภาวนาท่านพยายามปฏิบัติเช่นนี้อยู่เป็นประจำไม่ลดละแรกๆจิตใจก็ไม่สงบเท่าใดนะัก แต่เมื่อทาอยู่หลายครั้งหลายหนจิตก็เริ่มสงบตัวลงไปโดยลำดับลาดับจนเกิดความอัศจรรย์ดังนี้นี่แหละที่ได้เห็นความอัศจรรย์ของจิตทาไปสเปะสะปะ ไปนั่งภาวนาพุโทโธพุธโทโธสำรวมจิตตั้งสติไว้กับพุโทโธพุธโทโธมันไม่เคยเป็นไม่เคยรู้เคยเห็นไม่เคยคาดเคยฝันว่ามันจะเป็นอย่างนั้นพอพุโทโธไปพุโทโธไปปรากฏว่ามันเหมือนเราตาแหลไว้นะแล้วตีนแหลก็หดเข้ามา หดเข้ามาพร้อมๆกันพอนึกพุโทโธกับสติธียิบเข้าไปเหมือนดึงจอมแห я. กระแสของจิตที่มันซ้านไปในที่ต่างๆมันจะหดตัวเข้ามาเหมือนตีนแหหดตัวเข้ามาลักษณะมันเป็นอย่างนั้นเราก็ยิ่งเกิดความสนใจก็เลยพุโทโธทียิบเข้ามา หดเข้ามาหดเข้ามาถึงที่กึกเลยขาดสะบั้นไปหมดโลกนี้ขาดออกไปจากทุกสิ่งทุกอย่างมีเด่นอยู่แต่จิตจิตนี้เป็นเหมือนเกาะอยู่ในท่ามกลางมหาสมุทร จิต ท, ทรู้รู้เด่นๆด่นอัศจรรย์นี้นอกนั้นก็เป็นโลกสงสารเป็นมหาสมุทรไปหมดแต่เกาะนี้เป็นเกาะที่เด่นดวงอัศจรรย์สง่างามอัศจรรย์ตื่นเต้นเราไม่เคยเห็นเลยตื่นเต้นเจ้าของเลยกระตุกตัวเองทีนี้จิตมันก็ถอนออกมาโอ๊ยเสียดายจะเป็นจะตาย วันหลังขยับใหญ่เลยก็ไม่เด้เรื่องแม้ขยับเท่าไรก็ไม่ได้เรื่องนั่นแหละเลยเฮ้อเอาลละทําไปตามประสีภาษาก็แล้วกันทีนี้มันก็ปล่อยอารมณ์ความยึดอดีตนะสิพอทำไปทําไปก็เลยเป็นอย่างนั้นอีกเลยขยับบ้าเข้าอีก、เข้าอีกเลยไม่เด้เรื่อง จิตที่ว่าอัศจรรย์อย่างนี้นะวันนั้นทั้งวันจิตไม่พากไม่ห่างจากอัศจรรย์ที่ปรากฏในจิตนั้นมันกระยิ่มอยู่อย่างนั้นเรียนหนังสือมันก็อยู่ด้วยกันจิตไม่ส่งไปไหนเลยนี่แหละเป็นหลักใหญ่ที่เป็นเครื่องยึดของใจเอามากอันหนึ่ง